สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่3ครับพงศษัตริย์บทที่3ข้อที่4เราจะอ่านจนถึงข้อที่15นะครับหนึ 1, ง่งริย์บทที่3ข้อที่4ถึงข้อที่15โปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าพระองค์เสด็จไปยังกีเบโอนเพื่อถวายเครื่องบูชา เพราะที่นั่นเป็นสถานบูชาบนที่สูงที่สำคัญที่สุดทรงถวายสัตว์ 1,000 พันตัวเป็นเครื่องเผาบูชาบนแท่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนที่กิเบโอนในความฝันยามค่ำคืนพระเจ้าตรัสว่าจงขอสิ่งที่เจ้าต้องการเถิดและเราจะให้เจ้าโซมอนกราบทูลว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงพระกรุณาอย่างยิ่งต่อผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดเสด็จพ่อของกาพรง เนื่องจากเสด็จพ่อทรงซื่อสัตว์ต่อพระองค์มีใจชอบธรรมและซื่อตรงและพระองค์ยังทรงสำแดงพระกรุณาเดียวกันนี้ต่อเสด็จพ่อสืบมาจนถึงวันนี้โดยให้บุตรคนหนึ่งของราชบัลลังก์ข้าแต่พระยาวเว์พระเจ้าของข้าพระงค์บัตรนี้ทรงโปรดให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากเสด็จพ่อดาวิดแต่ข้าพรง ยังเป็นเพียงเด็กเล็กๆคนหนึ่งไม่รู้วิธีปฏิบัติภาระหน้าที่ผู้รับใช้ของพระองค์อยู่ท่ามกลางประชากรที่ทรงเลือกสรรค์ซึ่งเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่และมากมายเหลือคนานับฉะนั้นขอโปรดให้ผู้รับใช้ของพระองค์มีความคิดฉลาดหลักแหลมเพื่อจะปกครองประชากรของพระองค์และรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีเพราะใครเล่าจะสามารถปกครองชนชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้ได้ องค์พระวิญญาทรงพระวัฒนยที่โซโลมอนทูลขอเช่นนี้ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสกับโซโลมอนว่าเนื่องจากเจ้าขออย่างนี้ไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือทรัพย์สมบัติสําหรับตัวเองหรือชีวิตศัตรูของเจ้าแต่ขอให้มีความฉลาดหลักแหลมเพื่อพดุงความยุติธรรมเราจะให้เจ้าตามที่ขอเราจะให้เจ้ามีสติปัญญาและความฉลาดหลักแหลมอย่างที่ไม่เคยมีและจะไม่มีใครเสมอเหมือนเจ้า ยิ่งกว่านั้นเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอด้วยคือทรัพย์สมบัติและเกียรติเพื่อที่จะไม่มีกษัตริย์องค์ใดเสมอเหมือนตลอดชีวิตของเจ้าหากเจ้าดำเนินในทางของเราปฏิบัติตามคาสั่งและกฎเกณฑ์ของเราเหมือนดาวิดบิดาของเจ้าเราจะให้เจ้ามีชีวิตยืนยาวแล้วโซโลมอนก็ตื่นบรรทมและตระหนักว่าได้ทรงฝันไปพระองค์เสด็จกลับกรุงเยรูซาเลม็ม ทรงยืนอยู่หน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องสันติบูชาจากนั้นทรงจัดงานเลี้ยงให้ข้าสำนักทั้งปวงพี่น้องครับในความฝันโซโลมอนได้พูดคุยกับพระเจ้าโซโลมอนได้อธิษฐานทูลขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเขาได้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดความสาคัญลำดับที่หนึ่งก็คือ เขาทูลขอสติปัญญาพระเจ้าทรงพอพัทไทในคําทูลขอที่เขาอยากจะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้ามากพระเจ้าก็เลยนอกจากจะประทานสติปัญญาครับแล้วพระเจ้าก็ยังมีของแถมครับนั่นคือความมั่งคั่งและเกียรติยศและยังมีอีกครับภายใต้เงื่อนไขว่าหากโซโลมอนได้รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าดาเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และบทบัญญัติของพระองค์ พระเจ้าจะประทานให้โซโลมอนนั้นมีอายุยืนยาวในแผ่นดินโลกพี่น้องครับขณะที่โซโลมอนนั้นได้เกิดตอนที่เกิดนั้นอยู่ในช่วงกลางของการปกครองของกษัตริย์ดาวิดเสด็จพ่อเพราะฉะนั้นจึงคาดคะเนหรือคาดการว่าโซโลมอนนั้นขึ้นคลองราชเมื่อประมาณอายุ20่สบนะครับยีบวกลบดังนั้นเองครับเมื่อเราพบว่าโซโลมอนนั้น การขึ้นของราชของพระองค์ท่านนั้นอยู่ที่อีก40ปีให้หลังแสดงว่าโซโลมอนนั้นได้สิ้นพระชนม์ตอนอายุ60ซึ่งถือว่าเป็นอายุที่ค่อนข้างจะน้อยคำถามก็คือว่าทำไมทําไมโซโลมอนจึงอายุไม่ยืนคําตอบก็คือครับคือโซโลมอนอายุไม่ยืนเพราะว่าในที่สุดนั้นโซโลมอนกลายเป็นคนสองใจนะครับ แรกเริ่มเดิมทีครึ่งชีวิตของการปกครองของเขาเขามีใจกับพระเจ้าครับแต่ครึ่งหลังครับเขาเป็นคนที่ออกห่างจากพระเจ้าเพราะว่าการชักนําของมเหสีต่างๆการชักนําของเหล่ามเหสีต่างๆที่มาจากต่างชาติเขาก็นําพระต่างชาติมาแต่ด้วยการปรณีปรนอมความเชื่อของโซมอนทําให้ตัวเองนั้นอายุไม่ยืนในขณะเดกันครับก็ส่งผลต่อชนชาติและประชากรของพระเจ้า นี่คือบทเรียนบทแรกในชาวันนี้ครับพี่น้องครับบทเรียนบทต่อไปขอให้เราถอยกลับมาดูครับว่าขณะที่โซโลมอนนั้นเขาทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าคําถามก็คือว่าทําไมครับเขาทูลขอเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับพี่น้องครับเราจะมาดูกันครับขณะที่โซโลมอนทูลขอสติปัญญาสติปัญญาคืออะไร ผมได้อธิบายไปหลายครั้งนะครับในพระธรรมสุภาษิตแต่วันนี้จะขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาการก่อเกิดของสติปัญญามีอยู่สองประการด้วยกันครับสติปัญญาของโลกสติปัญญาของโลกนั้นเราสามารถที่จะเสาะหาได้เป็นความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเป็นความเฉลียวฉลาดจากการเล่าเรียนเป็นการเฉลียวฉลาดจากการสงสมประสบการณ์ความรู้นั่นคือ ต้องมีการสอนมีการสั่งมีการบอกมีการฝึกอันนี้เกิดจากสติปัญญาเกิดเป็นสติปัญญาฝ่ายโลกแต่สติปัญญาประเภทที่2ก็คือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับเป็นของประทานและเป็นน้ำาัไทยของพระเจ้า mm hmm. ที่จะประทานและกรุณาแก่ผู้ใดก็แล้วแต่น้ําัทไทยของพระองค์ฉะนั้นเมื่อโซโลมอนรู้ว่าความเป็นมนุษย์ ความสามารถของเขานั้นมีจำกัดเขาก็สแสวงหาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดเพราะว่าความเฉลียวฉลาดจากพระเจ้านั้นก็ครอบคลุมไปถึงความเฉลียวฉลาดและความรู้ฝ่ายโลกด้วยดังนั้นเองโซโลมอนจึงเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราครับ mm. เพื่อที่เราเองนั้นจะได้ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระคัมภีร์ได้สอนเราในเรื่องที่ว่าเราเองนั้นควรจะต้องทูลขอสติปัญญาครับ เพราะสติปัญญาเราทูลขอนั้นเป็นน้ำมัทไของพระเจ้าที่จะมอบให้กับเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับมนุษย์ทุกคนที่เขาขอขอจากพระองค์ครับแต่ว่ามีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นว่าโซโลมอนนั้นก่อนที่เขาจะขอโซโลมอนทำอะไรครับเขามีชีวิตที่ชอบทาพระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาครับเขาน้มัสการพระเจ้าเขาประชาชนเขาพาประชาชนไปนมัการพระเจ้าที่กิเบโอน เขารักษากฎบัญญัติของพระเจ้าเขาถ่อมใจสารภาพบาปด้วยการถวายเครื่องสัตวบูชาถวายแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขก็คือว่าโซโลมอนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ประการต่อไปครับโซโลมอนนั้นได้เห็นคุณค่าและรู้คุณค่าของสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในคืนที่เขาฝันไปพระเจ้าถามในความฝันว่าเจ้าอยากจะได้อะไร ให้ขอก็จะได้โซโลมอนทูลต่อพระเจ้าถึงความต้องการว่าพระองค์ไม่ได้ต้องการสนองความต้องการของตัวเองไม่ได้ขอเพื่อตัวเองแต่ขอที่จะทำหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าให้สุดจิตสุดใจให้มีความเข้าใจในสติปัญญาต่างๆในเรื่องต่างๆขอประทานความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำครับนี่คือเป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าการเป็นผู้นาที่ดี การทำโรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับท่านขอความเฉลียวฉลาดในการตัดสินวินิจฉัยแยกแยะความสามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไม่ดีนี่คือการวินิจฉัยที่ฉลาดและตัดสินคดีอย่างยุติธรรมพระเจ้าพอพัะไทําทูลขอของโซโลมอนเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าท่านไม่ได้ทูลขอเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง แต่ทูลขอเพื่อให้งานของพระเจ้าที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบนั้นสำเร็จฉะนั้นพระเจ้าก็ส่งประทานสติปัญญาให้กับเขาแล้วแถมยังมีทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งแก่โซโลมอนประทานเกียรติยศและชื่อเสียงแก่โซโลมอนด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าโซโลมอนดาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมโซโลมอนรู้จักคุณค่าของสติปัญญาและประการสุดท้ายในวันนี้โซโลมอนถ่อมใจพี่น้องครับ การถ่อมใจนั้นก็นำหน้าเกียรติครับการถ่อมใจนำหน้าความสำเร็จการถ่อมใจเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการที่จะรับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าข้าพระองค์ยังเป็นเพียงเด็กเล็กๆคนหนึ่งไม่รู้วิธีปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่ท่ามกลางประชากรที่ทรงเลือกสรรเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่และมากมายเหลือเกินนี่แหละครับคือความถ่อมใจครับ ไม่มีความสามารถพอขอพระเจ้าประทานความสามารถประทานสติปัญญาที่จะวินิจฉัยประชากรของพระองค์พี่น้องครับสาประการนี้ครับทําให้ในที่สุดแล้วพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของโซโลมอนครับเขาได้รับสติปัญญาและสติปัญญาของเขาก็นํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาของประเทศชาติบ้านเมืองนี่เป็นพระพรพิเศษที่ เขาได้ขอจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ประทานให้พี่น้องครับในท่ามกลางพวกเราหากมีผู้ใดรู้สึกว่าตัวเองขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับผู้นั้นขอพระเจ้าช่วยนะครับในการที่เราเองจะสามารถอธิษฐานทูลขอสติปัญญาภายใต้เงื่อนไขก็คือเราเองจะต้องเป็นผู้ที่ชอบธรรม เราจะไม่ขอเพื่อตัวเราแต่ขอเพื่อการรับใช้พันธกิจของพระเจ้าและเราจะต้องมีความถ่อมใจเห็นคุณค่าของปัญญาสูงครับเห็นคุณค่าของสติปัญญาพระปัญญาที่มาจากพระเจ้านะั้สูงส่งจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบได้การรับใช้พระเจ้าของเรานั้นต้อ ง, งยนืนบูรบนพื้นฐานของสติปัญญาที่เราจะได้รับจากพระเจ้าเสมออาเมน